ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หมปงปโพทิยานได้นำเสนอเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินเพื่อไปที่สีปัตนามรุกทายวันเพื่อโปรดท่านปัญจวัคคีก็กำลังอยู่ในช่วงที่ตอบคำถามของท่านอุปกาชีวคกก็มาถึงประเด็นที่ การุปการชีวกแสดงคำว่าสีสังโอกรรมเปตตวาแต่แปลเป็นสำนวนบาลีว่าอย่างศีสะให้ไหวเราก็แปลว่าสัส่นศีษะแล้วก็ตามปกติเราก็เข้าใจว่าเป็นการปฏิเสธการสัสรูของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอารยันก็สัส่นศีษะนั้นไม่ใช่สั่นแบบไทย คือเขาจะตะแคงหรือคล้ายๆกรบดิกศีรษะไปทางซ้ายมือหรือขวามือคือไม่ได้สั่นแบบหมุนก็หมายความว่าตกลงคือยอมรับตาสำนวนฝรั่งก็คงจะคล้ายกับว่าโอเคตกลงหรือเข้าใจแต่ว่าท่านเองนั้นคงจะตั้งหลักไม่ค่อยได้นั่นก็ในที่สุดก็หลีกไปอีก ด้านคนละทางกับพระพุทธเจ้าสวนพุทเจ้าก็เสด็จพุ้ดำเดินถึงอิสิปัตนาเมริกัยวันแบ่งเมืองพาลันีปัจจุบันสวนตรงนี้เราเรียกว่าสารนัดมันมีตำนานความเป็นมาแล้วก็แสดงร่องรอยของประวัติศาสตร์ในหลายๆเรื่อง ซึ่งก็น่าจะทำความเข้าใจเพราะว่าเวลาเราศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนานั้นคาแต่ละคำนั้นมีความหมายแล้วแสดงให้เห็นในแง่มุมต่างๆของแต่ละเรื่องคำว่าอิสิปัตนานั้นแปลว่าเป็นที่ตกไปของฤาษีคือฤาษีหล่นลงมาจากอากาศแล้วก็มฤุกขายวันแปลว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อ รวมแล้วก็มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นในอดิตกาลนานไกลดีสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเรื่องที่สองก็คือฤษีได้ตกลงมาจากฟากฟ้าประเด็นแรกคือป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นเหตุการณ์ในอดีตกาลนานไกลนะอยู่ในจดดกเรียกว่า น, นิโครจดดึก ถ้าเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์เนื่องจากมันอยู่ในเมืองพารานซีก็บอกว่าในดิการนานมาแล้วมรรยาตรพระพรมทัศสวยพระราชสมบัติในพนระนครปาแลนซีก็มีพระประสงจะออกป่าล่าสัตว์เพื่อเป็นกีฬาบ้างเพื่อมาเป็นอาหารบ้างแต่ว่าเวลาพระองค์จะเสด็จไปล่าสัตว์ก็ไปกักเกณฑ์ราษฎร ให้เข้าร่วมไปต้นสัตว์มาให้โปรงล่ารัศะะดองก็เดือดร้อนก็เสียเวลาทำมาหากินเขาเขาก็ตกลงกันว่าถ้าจะทําอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเลยกั้นบริเวณป่าขึ้นแห่งหนึ่งก็กว้างใหญ่ไพศาลระสมคลรแล้วก็นัดหมายกันเป็นจํานวนมากก็ตีโอบล้อมเข้ามาแล้วก็ต้อนสัตว์ให้เข้ามาอยู่ในป่า แล้วก็ไปกราบรปู่ในประราชาทรงทราบพ่าเมื่อพระองค์มีพระปร ะ, ประสงค์จะล่าสัตว์ก็สามารถจะไปยิงเกิดไปไปทับยืนยในที่หนึ่งแล้วก็สามารถที่จะยิงเอาตามต้องการได้ราษฎรก็ไม่ต้องมารับรู้ไม่ต้องทอดทิ้งภารกิจการงานมาแต่ว่าเวลายิงท่านก็ยิง ก็ยิงไปเรื่อยๆนะฮะตาให้สัตว์มันตื่นตระหนกจะมีการบาดเจ็บมีการล้มตะล้มตายมีการพิการก็ทําให้เกิดปัญหาก็ในหมู่สัตว์ที่มีเจาวฝูงอยู่สองตัวตัวหนึ่งชื่อพญาเคลื่อนพญาเนื้อนิโครธตัวหนึ่งชื่อพญาเนื้อสาขะพญาเนื้อทั้งสองก็มาตกลงกันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า คือยังไงยังไงเนี่ยพวกเรามันก็ต้องตายแล้วก็เปลี่ยนเวรกันดีกว่าจะหมายความว่าให้พยานเนื้อทั้งสองเนี่ยก็เกณฑ์ลูกน้องตัวเองให้มายืนอยู่ให้ประราชาญิงเพื่อไมให้คนอื่นตัวอื่นพลอยบาดเจ็บตามไปด้วยคนกลุ่มเนื้อทั้งสองก็ปรับเปลี่ยนกันวา่าละ ตามวรรมาถึงคราวหนึ่งเนี่ยมันถึงเบนเนื้อที่มีคันแก่แล้ววนจะคลอดลูกเป็นบริวารของพญาเนื้อชื่อว่า ส, สาขาเธอไปขอต่อรองขอเปลี่ยนวรรคคือให้คลอดลูกเสียก่อนว่าไม่ควรจะเอาลูกมาตายด้วย ก็ยินดีที่จะตายนั่นแหละแต่ว่าพญานาอสาขาไม่ยอมกไหนที่สุดก็มห ah ารพญาเน้อนีโครดกอให้ช่วยเหลือพญานือนีโครดก็เลยต้องตัดสินใจนะคือจะเอาเนื้อตัวอื่นมาแทนเนี่ยไม่ได้แล้วก็ตัดสินใจเอาตัวเองเข้าไปตายแทน รุ่งเญชาวก็ไปยืนรออยู่ในสถานที่ที่พระราชาจะมายินเนื้อแต่พระยาเนื้อน่โครดกระพราเนื้อสาขานั้นเป็นเนื้อที่สวยงามมากก็ได้รับราชทานอาภัยจากพระราชาว่าห้ามไม่ให้ฆ้าเพราะ ง, งั้นเมื่อพระยาเนื้อนิโครธมายืนอยู่ตรงนั้นจังก็สงสัยนะก็ก็บอกว่าแจ้งก็ให้อภัยแก่เธอไม่ให้ฆ่า แล้วทำไมมายืนอยู่ไปเอาเนื้อในครอบกระลาวถึงความทุกข์ของแม่เนื้อสาวให้ฟังว่าที่ต้องมายืนเนี่ยเพื่อจะสลาดชีวิตแทนแม่เนื้อจะรอให้เธอได้คลอดลูกซะก่อนปะทสงสารลูกซึ่งไม่รู้ไอหนุยเนนี่จะมอยพรอยตายเปไน็นเวรประชาก็เกิดประทับใจนะ ที่แม้แต่สัตว์ในธรรมชาตเนี่ยยังมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ผู้ยากแล้วก็บอกว่าเราให้อภัยแกเธอแล้วก็ไม่ฆ่าหรอกล้วก็ให้อภัยแกแม่เนื้อด้วยก็ตกลงวันนี้เลิกกันถือไม่ฆ่าสัตว์เต่ยานนิโคก็บอกว่ามันก็ไปปลอดภัยอยู่ดีนั่นแหละวันนี้ไม่ฆ่าพรุ่งนี้ไม่ฆ่ามรืนนี้พระองค์ก็ฆ่า เนื้อโพงตาตายอยู่ดีก็เสร็จแล้วท่านก็อธิบายชี้แจงเหตุผลถึงเรื่องคุณค่าของชีวิตความรักชีวิตการพลาดพลากสูญเสียที่จะต้องมีบาดเจ็บล้มตายเนี่ยการรักชีวิตไม่ได้มีเฉพาะมนุษย์หรอกสัตว์ประหาดเขาก็รักเขาก็มีลูกมีเมียมีญาติพี่น้องเมื่อข้าเ็าตายตัวหนึ่งเขาก็ต้องพลดพาดเขาก็สูญเสียเช่นเดียวกัน พระราชาก็มีพระไทยอ่อนก็เลยประทานให้อภัยแก่เนื้อเนื้อทั้งหมดนะคือไม่ฆ่าเนื้อทั้งหมดปญาเนื้อโก็บอกว่าล้สัตว์อื่นล่ะไม่ใช่สัตวนะ์พวกนกพวกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าเนี่ยหรือแต่จะให้อภัยในฐานะเป็นประราชส่งธรรมสงฆ์สภิษฐาธรร ม, รรรมควรจะให้เสมอพักกัน ก็เสร็จแล้วก็ขอทั้งบริเวณที่กั้นทั้งหมดเนี่ยห้ามไม่ให้มีการฆ่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตากประชาชนก็ส่งเห็นด้วยนะฮะในที่สุดก็พระราชทานอาภัยให้เพราะป่านี้จึงได้ชื่อว่ามรรคธายวันแปลว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อทั้งหลาย โดเริ่มต้นจากพยานเนื้อดีโครดข้อนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าอาจจะคล่องใจสงสัยในกรณีที่สัตว์พูดได้แต่เราอย่าลืมนะครับว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าพระเจ้าท่านมีพยานอย่างรู้ว่าสัตว์มันแสดงออกมาอย่างไงพูะเจ้าก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาคน อ่ซึ่งก็ไม่แน่นะฮะการติดต่อกันระหว่างคนกัตริย์ในสมัยก่อนเขาก็รู้กันเข้าใจกันเพราะจริงจิงกิตยายของศาสตร์ถ้าเราคุ้นรีเราก็รู้อะไรได้เยอะตีความได้เยอะว่าหมายความไปอย่า ง, งานั้นหมายความไปอย่างเงี้ยโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เรียกว่าถูกต้องคือใกล้เคียงแต่ถ้าเรามองถึงประเด็นเนี่ยนะครับลักษณะโครงสร้างของสังคมแห่งยุคสมัยเนี่ย ผู้มีอนาจบางครั้งบางคราวนี่จะใช้อานาจจนเพลินโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนความทุกข์ของบุคคลอื่นการกะเกณฑ์คนเพื่อไปทำงานให้แก่ตัวเองแล้วก็มีอยู่เยอะนะฮะที่ประชาชาเสด็จไปล่าสัตว์นี่เป็นกีฬาในการลาชสัตว์สมัยโบราณประชาชนดกนี้จะมือเยอะมากดังนั้นคือแสดงให้เห็นถึงว่า มองเฉพาะประโยชน์ของตัวเองไม่ได้คำหนึงว่าคนที่เราเกณฑ์เข้าไปนะวันเนี้ตอนเย็นเนี่ยเขามีข้าวกินหรือเปล่าครอบครัวเขาจะเป็นยังไงเขาอยู่กับใครเขาทํามาหากินอะไรมันไม่ได้ศึกษาถึงความเป็นอยู่ของบุคคลเหล่านั้นมีแต่มุ่งให้คนอื่นก็ตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่ว่าไม่ได้นึกว่าเราให้อะไรแก่เขาแต่จะเป็นการเรียกร้องความ เคารพความนับถือความเสียสละจากบุคคลอื่นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างถาวรในสังคมมนุษย์จุกคนที่มีอํานาจคนที่เป็นใหญ่นะให้ลองสังเกตว่าเขาไม่ใช่มองในความเป็นอยู่ของคนอื่นแต่จะมองในรูปของการปลนปลืตัวเองแม้จะมีการสมัครเลือกตั้งอะไรแต่ไรก็พูดหรูไปอย่างนั้นเองนะนรัมันไม่ใช่คาใหม่อะไรเลยมันก็ได้ยินกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แต่ว่าภาคสนามจ ร, จริงๆเนี่ยมนุษย์เห็นแก่ตัวมักจะสแสวงหาความสุขผลประโยชน์ต่างๆบนความทุกข์ของบุคคลอื่ น, นล้วเคยตั้งข้อสังเกตเคยคุยกับเพื่อนฝูงว่าหรือบางครั้งบางคราเนี่ยเราต้องพิจารณาทบทวนตัวเราเองเหมือนกันเพราะที่เราคิดเราสอนเราพูดเราทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่ า, ายงยิ่งคือระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย ผู้ใหญ่นั้นจะเรียกร้องความเคารพนับถือศรัทธาเชื่อวังเสียสละเพื่อตัวเองและโดยไม่เด่นไม่ว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่กูจะมีบุปการีนั้นเคยมีบุปการีอะไรแก่เขาบ้างคืออุปการะอะไรแก่เขาบ้างเคยส่งเสียเคยสนับสนุนเคยช่วยเหลือเกกูอะไรแกเขาหรือเปล่าเพราะถ้าในเครือญาติในร้านครูบาอาจารย์ในพ่อแม่เนะี่ยมันก็แน่นอน แต่ผู้ใหญ่ที่ใหญ่ในด้านอายุในใหญ่ในด้านชั้ยศตําแหน่งเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาทําอะไรที่เป็นอุปราคคุณต่อผู้น้อยบ้างมักจะไม่ได้มองในประเด็นตรงนี้แล้วมันกลายเป็นสังคมที่ผู้น้อยเลี้ยงผู้ใหญ่ไปเกิดแทนที่ผู้ใหญ่จะเลี้ยงดูผู้น้อยเนี่ยผู้น้อยกับต้องเลี้ยงดูผู้ใหญ่วันเกิดผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ต้องขนไปให้วันเกิดผู้น้อยก็ต้องเอาไปไปให้ท่าน วันปีใหม่ก็ต้องเอาไปให้ท่านท่านตายเองก็ต้องไปท่านตายเราก็ทําศพไปท่านแล้วมันตอนไหนที่ผู้ใหญ่ให้ผู้น้อยตัวมีถังขมไม่ค่อยได้คิดพระราชาเองก็เหมือนกันที่ท่านเกณฑ์ราชดให้ช่วยไปต้อนสัตว์มาให้ท่านยิงเนี่ยกระฐานราชดรเหล่านั้นก็อยู่ดีมีสุขดีอยู่เลย เขาอาจจะไปช่วยต้อนสัตว์แล้วกลับมาเนี่ยลูกเต้าไม่มีอาหารกินก็ได้แม่อาจจะป่วยอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ว่าท่านก็ไม่รับรู้อะไรเพียงแต่าราศดรสมัยนั้นก็เข้าเทียนะฮะแต่เราดูแล้เราเขาเข้าวที่เขาก็คิดในลักษณะที่โลกไม่ช้ำทำก็ไม่เสียในฐานะเป็นราศดรก็ ตอบสนองความจงรักภักดีต่อพระราชาก็ตอนสัตว์มาให้เป็นกิจลักษณะแต่แก็ถือว่าหนักครั้งเดียวแทนที่จะต้องหนักอยู่ทุกวันเนี่ยหนักทุกครั้งเดียวก็ทําให้เรามองเห็นทั้งว่าประโยชน์สุขต่างๆได้มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราเนี่ยมันมีกิ จ, จกรรที่ว่าเพื่อรัฐเพื่อประเทศเพื่อสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่ ถา้าบุคคลภายในสังคมตรงนั้นมีความเสียสลักเจนยกสมมติเวเนี่ยคลองต่างๆเป็นอันมากขาดแม่น้ำนะคบางทีเนี่ยมีประกบชวาอัดแน่นไปหมดเลยแล้วก็สะสมดินขึ้นในสุดมันก็ตื้นเขินกันไปเร็วมันก็มีปัญหาในการกักเก็บน้ํามีปัญหาในแหล่งที่จะอยู่อาศัยของสัตว์มีปัญหาในน้ําเป็นพิษมันมีปัญหาตามมาเยอะเลย คือสรุปปัญหาที่เกี่ยวกับขาดน้ําอ่ะแต่ถ้าราษฎรช่วยกันขุดลอกช่วยกันข้นปักตบชวาให้หมดเริ่มมีการขุดลอกขึ้นแม้จะไม่ได้ใช้ในการคมนาคมแต่ก็ใช้ในเรื่องอื่นสังคมก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าราษฎรนั้นต้องยอมเหนื่อยกันสักระยะหนึ่งคือเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อได้ประโยชน์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในช่วงต่อไป ความคิดของคนตรงนี้ก็จะมีเป็นโครงสร้างเห็นว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยประชาชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อทํางานในเกศส่วนรวมแล้วเราเองรับประโยชน์ตรงนี้ที่จรงิงรับประโยชน์โดยตรงด้วยนะคือตัวเองไม่ต้องไปต้อนเนื้อทุกวันไม่ใช่เป็นประโยชน์โดยอ้อมอะไรเลยแล้วก็ในมูของ ของสัตว์เองเห็นว่าการการทําลายล้างการจับสัตว์ด้วยการยิงสัตว์ในลักษณะนี้มันเกิดความสูญเสียความสิ้นเปลืองคล้ายๆการจับสัตว์ของคนไทยเราในสมัยเนี้บางทีมีอวนลากติดตรมตะลิงเลยควาดสัตว์เล็กน้อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยหมดบางครั้งบางคราวก็ไปจับสัตว์ระดูวางไข่ บางคราวก็อวนปลาฉี่เกินไปลูกปลาเล็กปลาน้อยตายหมดนั่นคือเราจะเห็นถึงว่าบางทีก็ชอบโดยวิทยุหรือว่าโยนระเบิดลงไปเพื่อให้ปลาตายลอยเป็นแพลมาเลยแต่ไม่ได้ว่ามีปลาเล็กปลาน้อยไขยป่ปลาลูกปลาเล็กเล็ตายด้วยนะฮะมันทําลายทรัพยากรธรรมชาติไปเยอะเลย วิธีการตรงนี้เราจะเห็นว่าสาัตว์คิดออกคนะโคตรคิดออกหรือไม่ก็ไม่รู้แต่สัตว์คิดออกว่าการที่ปล่อยราชายิงแบบสเปซตะปะอย่างเนี้ยสัตว์มันก็ตายพิคนพิการกันหมดอลยเพราะยังไงยังไงมันก็ต้องเสียแล้วคือเสียมันได้ประโยชน์ให้มันเหมาะสมตกลมก็ใช้การเปลี่ยนเวรคือปรัดเปลี่ยนกันนาทีก่อนเนี่ เวนก็คงจะใช้แบบสลากแบบอะไรต่ออะไร ก, ก, ก, ก็ตามแต่เขาไว้นะฮะแต่กสรุปว่าการใช้เวนเนี่ยมันค่อนข้างจะลงตัวดีเพราะยังไงว่าทุกชีวิตก็ต้องตายแล้วก็ลองเสี่ยงไม่ต้องปล่อยคนอื่นก็าบาดเจ็บเขาอาจจะต้องตายแต่ก็ตายช้าลงห น, น่อยเที่เกิดเป็นปัญหาของแม่เนื้อซึ่งตัวเองก็ยังไม่มีลูกก็เป็นลูกครรภ์แรก ไม่ได้กลัวตายนะก็แสดงว่าพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจโดยไม่คำนึงหรอกสำหรับตัวเองเนี่ยแต่ปัญหาไว้ค่าตัวเดียวเนี่ยตอนนี้มันสองตัวเนี่ยจะทํำยังไงว่ารอไปก่อนได้ไหมคือสลับเวลากันได้ไหมแล้วเราจะเห็นว่าที่จริงเนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นคนไปไหนเนี่ยเราก็เปิดสมัครแล้วสมัครให้ยอมใครมายอมอยู่ตัวนี้บ้างไปช่วยเหลือ ลูกเนื้อในคันแม่เนื้อแต่ะยานเนื้อสาขานั้นเป็นผู้บริหารที่ไม่เข้าใจลูกน้องก็ดีแต่ใช้อำนาจไม่ได้มองโดยเหตุด้วยผลไม่หาทางออกให้คือไม่สามารถเป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชาได้คนในลักษณะนี้จะอยู่ในที่ใดก็ตาม จะเป็นหัวหน้าครอบครัวจะเป็นสมภารเจะวัดจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นนายเฟยจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ตลอดต้องเป็นนายกเนี่ยคือพึ่งผ่านใส่ไม่ได้คือกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันควรจะมีข้อแม้ได้ทั้งนั้นแหละกฎมันมนุษย์มัอสร้างขึ้นเนี่ยไม่ใช่ประกาศสิทธิ์จะสวงสวรรค์ที่ถือถือเป็นคำภีรศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำปฏิบัติตามเพราะด้วยหลักตั้งโดยหลักตั้งกล่าวเนี่ยเราจะเห็นว่า แม่เนื้อเองเขาก็ไม่ได้จงใจอะไรการมีคันเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันได้ประโยชน์อะไรที่เอาลูกเนื้อซึ่งยังไม่คลอดแต่ให้ต้องตายไปด้วยแต่ในสุดก็ปฏิเสธความช่วเหลือแต่พอมาถึงพญาเนื้อดิคลดเราจะเห็นทั้งว่าความมีน้ำใจไม่ได้มองเป็นเราเป็นเขา มันแสดงให้เห็นถึงบา ร, รมีธรรมที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์ทั้งสองเนี่ยพยาศสัตว์ทั้งสองและในสุดก็เหตุการณ์ดังกล่าวนะเราจะเห็นว่ามีวิธีการในการโน้มน้าวจิตใจอย่างดีมากเลยนะคือเปลี่ยนแปลงพระไทยของพระเจ้าเทวทัตพระเจ้าพระเจ้าภูมิทัตนะจากคนที่นิยมฆ่าสัตว์ทุกวันจนไม่ฆ่าสัตว์จากไม่ฆ่าสัตว์จนสงสารสัตว์จะสงสารสัตว์เป็นการให้อภัยแก่สัตว์ ให้ไปกษัตริย์แต่ให้อภัยเป็นการถ้าวรตีก็ทําให้เรา ม, มองเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนเผ่าอารยันแลเอย่าลืมมาเหตุการณ์การให้อภัยแก่เนื้อตรงนี้มันผ่านเวลามานานก่อนพุทธกาลหลายพันปีแต่ทําไมก็สืบต่อกันมาได้และที่น่าทึ่งก็คือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ยังรักษาอยู่นะป่าตรงนี้ใครไปล่าสัตว์ไม่ได้ใครไปยิงสัตว์ไม่ได้ทําให้สัตว์ตายไม่ได้ทัองทือกันขนาดนั้น ตอนวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยประเพณีจารรีดแบบแผนต่างๆที่มีการรักษาและประสืบต่อกันมามันสําคัญอยู่ที่คนในยุคสมัยตรงนั้นถ้าเราเทียบวัฒนธรรมของเราก็ไม่บบาวนาะวัฒนธรรมเราก็สูงนะเดี๋ยวถ้าเราดูว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยคำนึงไม่ค่อยคิดรักษาสิ่งดี ง, งามที่บรรพชนเขารเริ่มเอาไว้แล้วก็สืบต่อกันมา ก็ทําให้เราเกิดปัญหาว่าคนของเราเนี่ยเป็นผิดเป็นภัยต่อสภาพเป็นรอมเสียเองแต่ว่าทําทําลายสภาพเป็น้อมต่างๆเป็นเรืมากเพราะการมองอะไรเมื่อมันเห็นคุณค่าแล้วเนี่ยควรจะรักษาสืบสานกันไว้สังคมอรารยันจนมาเป็นอินเดียในปัจจุบันก็ยังรักษาสารนาศเอาไว้ได้สารานาศแปลว่าเป็นที่พุ่งของกวางนะฮะก็เหมือนกันความหมายเหมือนกันแต่ว่า สงสัยเหมือนกันว่ามันเปลี่ยนเมื่อไรเพราะว่ามันเป็นใช้ภาษาตรงนี้ภาษาสันกิตเนะี่ยแต่มก่อนเป็นภาษาบาลีแต่ว่าสบาลีก็เขียนได้นะะสารน า, าเนี่ยสารนาถก็ในที่สุดเรื่องนี้พอจบชาดกเนี่ยพระเจ้าสรุปให้ฟังว่าชาดกตอนนั้นมาใครเป็นใคร พิยายเนื้อสาขาก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตพิยายเนื้อนิโครก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแม่เนื้อนี่มาเกิดเป็นภิกษุณีซึ่งเป็นแม่พระภูมารากัสสปะรูปเนื้อก็เป็นพระภูมารากัสสปะระชารึกจะเป็นพระอนนนะนั่นก็แสดงอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของสังสารวัฏ ต, ต้องคังเท่าไหร